สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรื่องเล่าจากทางบ้านกับผมเนธกรคนชอบเล่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวของท่านสมาชิกที่ส่งกันมาจะเป็นยังไงลองฟังกันดูครับเรื่องแรกจากคุณกฤษณะชื่อเรื่องคุณย่าเล่าให้ฟังคุณย่าของผมปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของท่านที่มีนามว่าตาลิต ตอลิกคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของย่าที่มีบ้านใกล้เลือนเคียงแกมีอาชีพออกหากบหาปลาในตอนกลางคืนตามแบบชนบททั่วไปซึ่งการออกหากบหาปลาของแกแกมักจะไปคนเดียวไม่มีเพื่อนไปด้วยโดยเพราะว่าย่าบอกว่าแกเป็นคนมีวิชาติดตัวพอดูก็ตามแบบฉบับของคนสมัยก่อนที่มักจะมีของดีติดตัวกันย่ายังบอกอีกว่าแถวบ้านผมนะ่ะผีดุมากสมัยนั้นเป็นที่เลื่องลือใครใคก็รู้ การออกหากบหาปลาของตาลิตนั้นก็เป็นปกติเรื่อยมาจนมาถึงคืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกพรมๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีสําหรับคนหากบหาปลาตาลิตจึงได้ออกไปหากบหาปลาโดยไม่รอช้าแกก็เดินทางไปตามปกติที่แกเคยเดินแต่คืนนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงกบร้องชุมมากแถวต้นมะขามใหญ่ท้ายหมู่บ้านต้นมะขามต้นนี้ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่เป็นต้นมะขามที่ใหญ่มาก เป็นที่ที่ชาวบ้านมักจะเอาพระหิ่งพระที่แตกหักมาวางทิ้งไว้ตรงนี้ลักษณะพิเศษของมะขามต้นนั้นคือกลางต้นจะมีพโพรงและตรงพโพรงนี้เองที่ชาวบ้านต่างๆพากันเอาพระมาทิ้งไว้ในนั้นซึ่งถ้าเราลองจินตนาการตามไปจะรู้สึกได้ว่าต้นมะขามต้นนั้นกับคืนวันฝนพรำบรรยากาศมันคงจะน่ากลัวพิลึกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของตาลิดเพื่อนของคุณย่าตาลิดแกก็มุ่งหน้าตรงไปยังต้นมะขามเพื่อจะไปหากบที่แกได้ยินเสียงร้องอย่างชุกชุม ด้วยใจที่กระยิมยิ้มย่องว่าวันนี้คงจะได้เยอะและแล้วแกก็เดินทางไปจนถึงต้นมะขามต้นนั้นและเมื่อไปถึงต้นมะขามสายตาของแกก็ต้องไปสะดุดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นเหงาดำๆใหญ่ๆมันค่อยๆเคลื่อนออกมาจากทางหลังต้นไม้ตาลิดไม่ได้ตกใจกับภาพที่เห็นแต่ก็ยืนนิ่งดูก่อนเพื่อมองดูให้รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นมันค่อยๆเคลื่อนออกมาจนเห็นได้ชัดถึงรูปร่างของมันหมาสิ่งที่เคลื่อนออกมามันคือหมา แต่เป็นหมาที่มีขนาดใหญ่ตัวดําเมื่อเคลื่อนออกมาประจันหน้ากันแล้วมันก็ยืนขู่แยกเขี้ยวพร้อมด้วยตาอันแดงฉานตาลิดมองดูก็รู้ได้ว่ามันไม่ใช่หมาปกติซะแล้วแต่แกไม่กลัวเพราะแกเองก็มีวิชาติดตัวมาแกเลยตะโกนบอกมันไปว่าทางใครทางมันข้าออกมาหากินของข้าอย่ามายุ่งกันดีกว่าแต่แทนที่มันจะหยุดและถอยออกไปไอหมาผีตัวนั้นก็กลับยิ่งขู่หนักขึ้นพร้อมกันนั้นมันก็พุ่งตรงเข้ามหาตาลิดเพื่อหวังจะทําร้าย ตาลตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเอาฉมวกวที่ติดมือมาเพื่อจะอามาจับกบพุ่งเข้าใส่ที่ตูวของมันเต็มแรงฉมวกนั้นพุ่งเข้าตรงที่ลําตัวของมันแต่มันไม่เป็นอะไรเลยตาลิศพงะถอยออกมาแล้วก็บอกกับมันว่ามึงจะเอากับกูใช่ไหมถ้ามึงแน่จริงมึงรอกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูมาพูดจบแกก็หันหลังรีบเดินกลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านแกก็มาเอาอะไรสักอย่างซึ่งย่าจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรมีลักษณะเหมือนไม้หวายซึ่งตอนนั้นย่าเองก็ไม่รู้ว่าเจรจากันยังไง หมาบรรถึงได้ปล่อยให้กลับบ้านมาก่อนและเมื่อตาลิดได้ของที่ต้องการแล้วก็มุ่งหน้าตรงกลับไปที่ต้นมะขามและเมื่อตาลิดเป็นคนจริงที่กลับไปหามันหมาผีก็เป็นหมาผีที่ดุจริงๆยังคงยืนรออยู่มันยังคงยืนรออยู่ด้วยตาสีแดงและขู่อย่างน่ากลัวตาลิดบอกทีหลังว่ามันเหมือนอยากจะลองของเมื่อไปถึงตาลิดก็ท่องคาถาและเอาสิ่งนั้นฟาดลงไปที่ตูของมันฉมวกจับกบทำอะไรมันไม่ได้แต่คราวนี้มันร้องคุนครางโหยหวนเหมือนเสียงของผู้หญิงที่เจ็บปวดดูดรา มันดิ้นไปดิ้นมาแบบทรมานจากนั้นก็ค่อยๆถอยหายไปในโพรงต้นมะขามตามความเชื่อแถวบ้านผมหมาที่มีลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าหมานินหรือหมาผีทุกวันนี้ต้นมะขามต้นนั้นก็ยังคงอยู่มีหลายคนได้เจอกับเหตุการณ์ปแปลกๆในยามวิการในบางครั้งที่เดินผ่านครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณกฤษณะยาเลาให้ฟังไปฟังกันต่ออีกเรื่องครับเป็นเรื่องมาจากคุณหนึ่งสกรินคุณหนึ่งเล่าว่า ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ตอนนั้นผมอายุ26ปีผมได้ย้ายครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านที่ผมไปอาศัยอยู่ก็ไม่ถือเปานชนบทมากนักแต่พื้นที่บริเวณหลังหมู่บ้านนั้นมันติดกับป่าซึ่งก็ถือว่ายังเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ดีช่วงนั้นผมกับครอบครัวทาสวนผักกันรือเมื่อเสร็จงานจากการทาสวนกันตอนเย็นๆไม่มีอะไรทาผมและรันซึ่งเป็นพี่ของภรรยาผม เราทั้งสองคนก็มักจะชอบแบกปืนเข้าป่ากันเป็นประจำเรียกได้ว่าแทบจะทุกคืนแต่ป่าแถวนั้นไม่ค่อยมีสัตว์ใหญ่ส่วนมากที่เจอก็จะมีชมดกระต่ายบางครั้งก็มีหมูป่าเข้ามาบ้างเราทั้งคู่ออกไปสงสัตว์ด้วยกันอย่างนี้เป็นประจำเพราะชอบถึงบรรยากาศที่อยู่ในป่าลมเย็นๆแสงดาวกลางท้องฟ้าได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆที่น้อยคนนักหากไม่ได้มาสัมผัสจริงๆก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง ก็อย่างที่ว่าเราทั้งคู่ก็ออกส่งสัตว์ด้วยการเป็นประจำแทบทุกคืนแต่มีคืนหนึง่งคืนนั้นเราออกกันประมาณสี่ทุ่มเห็นจะได้อ้อลืมบอกไปครับเมื่อเราเข้าป่าปกันแล้วถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะแยกกันออกไปส่งสัตว์เราจะมีไฟฉายรัดที่นภ า, ากกับปืนอีกคนกระบอกติดตัวกันไปโดยมีการนัดกันว่าหากว่าใครได้สัตว์ก่อนหรือว่าเหนื่อยก็ให้ไปรอกันที่ห้างที่ชาวบ้านทําไว้ซึ่งอยู่ตรงชายปา่าซึ่งก็เป็นประจำที่เราจะนัดกันอย่างนี้ทุกครั้งที่ออกปา่า คืนนั้นเป็นคืนเดินมืดผมกับรันแยกกันผมเดินไปก็ส่องสัตว์ไปใช้เวลาอยู่นานหน้าแปลกที่คืนนั้นไม่มีสัตว์อะไรให้เห็นเลยแต่ผมก็ยังคงเดินหน้าส่องสัตว์ต่อไปก็คิดว่ายังไงป่าน่ะมันก็ต้องมีสัตว์ให้เห็นสิเดินไปเดินมามองนาฬิกาที่ข้อมือเวลาก็ไปตีสองแล้วนี่เข้าป่ามาตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองยังไม่เห็นอะไรเลยเป็นไปได้หรือนี่ไม่ไหวละกลับดีกว่า คิดได้ผมก็จะเดินทางไปคอยรันที่ห้างเหมือนเดิมตามที่นัดหมายไว้ซึ่งไม่แน่รันอาจจะไปคอยอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้คิดได้อย่างนั้นผมก็บุ่งหน้าตรงไปห้างระหว่างทางที่กําลังเดินกลับไปที่ห้างนั้นบังเอิญสายตาผมก็เหลือไปเห็นเห็นคนคนหนึ่งมีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเธอคนนั้นเดินอยู่ตรงตีนดอยซึ่งห่างจากจผมไปประมาณ200เมตรได้แวบแรกรู้สึกแปลกใจมากที่ดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังมีผู้หญิงมาเดินอยู่ในป่า และแถมยังไม่มีไฟส่องทางอีกในสมองตอนนั้นสับสนวุ่นวายพยายามหาเหตุและผลเพื่อจะได้คําตอบว่าเธอคือใครและมาทําไมแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีคําตอบและเหตุผลที่เหมาะสมอยู่ดีผมยืนนิ่งกับบรรยากาศที่อยู่ๆมันก็เย็นว่าไปทั่วตัวรู้สึกวังเวงใจตุ้มๆตมๆพิกลแต่มันก็ยังไม่เท่ากับตอนที่ผมคิดได้ว่าตรงจุดที่หลอนยืนอยู่นั้นตรงนั้นมันเป็นน้ําห้วยซึ่งผมชอบไปหาปลาเป็นประจำซึ่งมีขนาดความลึก เท่าเอวได้สมองตอนนั้นแว บ, บขึ้นมาฉับพลันว่าเธอไม่ใช่คนและที่แย่ไปกว่านั้นเธอที่เดินอยู่ตรงนั้นกําลังเดินเข้ามาหาผมเธอเป็นใครและเดินมาทําไมและเธอใช่คนหรือเปล่าบรรยากาศตอนนั้นมันหนาไปทั่วตัวผมไม่มีทางเลือกยกปืนขึ้นประทับบ่าไฟฉายที่ติดหน้าผากส่องไปตามหลักแล้วลําของไฟฉายที่ส่องไปคนที่เดินเข้ามาก็ต้องมองเห็นด้วยผมกําลังยกปืนจ่ออยู่แต่เธอไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเดิน ยังคงเดินมุ่งเข้ามาหาผมเรื่อยๆหนูในโครงกายของผมตอนนั้นไว้กว่าความคิดผมยิงปืนเฉียงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดปังที่ต้องยิงเฉียงเพราะเผื่อว่าที่เห็นอาจจะเป็นคนแต่หลังจากที่เสียงปืนเงียบลงเธอผู้นั้นก็หายไปหายไปไหนอยู่ตรงไหนผมมองซ้ายมองขวารอบตัวแล้วบอกตัวเองว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบไปถึงห้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมเลยรีบซอยเท้าเดินอย่างไวทางเดินที่ต้องเดินไปนั้นเป็นทางเดินเล็กๆ สองข้างทางเป็นห ญ, ญ้าสูงประมาณหน้าแข้งซึ่งเวลาเดินนั้นจะมีเสียงแหวกหญ้าดังสุบสาบและไอเสียงสุบสาบนี่เองผมก็ได้ยินมันตามมาข้างหลังผมติดๆใจหนึ่งก็อยากจะตะเตลิดวิ่งหนีแต่อีกใจก็ตื่นตัวเองไว้ถ้าตะเตลิดก็สติหลุดแน่ทางเลือกเดียวคือเดินแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่าหันไปมองข้างหลังเพราะถ้าเห็นสิ่งที่ตามมาอาจจะไม่มีแรงเดินไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างนับว่าเป็นโชคดีเหมือนกันที่ห้างอยู่ไม่ไกล เมื่อผมเดินไปถึงห้างทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบเวลานั้นผมมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นรอบกายจึงรีบก่อกองไฟขึ้นแล้วก็นั่งคอยร้านที่ห้างนั้นผมรู้ได้ว่าเดี๋ยวรันก็คงจะมาเพราะได้ยินเสียงปืนของผมเขาคงจะคิดว่าผมคงจะได้สัตว์อะไรมาแน่ประมาณ20นาทีต่อมาเขาก็มาถึงมาพร้อมกับเสียงบนบนบัคคืนนี้ไม่เจอสัตว์อะไรเลยนอกจากเสียงร้องกล่อมลูกของผู้หญิงเป็นภาษามูเซอร์ ผมได้ยินผมก็อึง้งแล้วก็ถามรันว่าเจอที่ไหนรันบอกว่าตรงชายไล่กองพวกมูเซอร์ผมเลยถามรันว่าแล้วทำยังไงรันบอกว่าเขาเองก็อยากรู้ว่าผู้หญิงบ้าที่ไหนมาร้องเพลงกล่อมเด็กกลางป่าตอนดึกดึกติดตรงที่ตรงนั้นเป็นป่าหนามเล็บเหี่ยวสูงทุ่มหัวก็เลยไม่สามารถจะเข้าไปดูได้หลังจากฟังรันเล่าเสร็จผมก็รีบชวนรันกลับบ้านทันทีโดยที่ผมยังไม่พูดอะไรหลังจากนั้นสามวันต่อมา ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านของชาวมูเซอร์ที่ผมรู้จักก็เลยถือโอกาสเล่าให้มูเซอร์คนนั้นฟังหลังจากฟังผมพูดเสร็จมูเซอร์คนนั้นก็อมยิ้มและบอกว่าสิ่งที่ผมสองคนได้เจอในคืนนั้นก็คือน้องสาวของเขาเองเธอโดนแฟนหนุ่มทิ้งก็เลยกินยาตายทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ในปา่าและแล้วผมก็กระซ่างกับสิ่งที่ผมเห็นครับและก็จบไป2เรื่องแล้วนะครับเอาอีกสักเรื่องสั้นๆดีกว่าครับของคุณนรงค์เด็กเมืองเลยซึ่งยืนยันว่า เรื่องที่แชร์นี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดคุณนรงกรเล่าว่าวัดที่วัดนี้เป็นวัดป่าซึ่งชาวบ้านแถวบ้านผมเรียกติดปากันว่าวัดป่าที่วัดป่านี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบวังเวงมากซึ่งมันจะดูวังเวงมากสาหรับคนที่ไม่คุ้นเคยแต่สำหรับผมเมื่อสิบปีก่อนก็ถือได้ว่าเป็นอารามบอยหรือว่าเด็กวัดเด็กติดวัดนั่นเองครับผมมักจะชอบไปเล่นที่วัดไปหาหลวงพ่อไปคอยปรณีบัตรท่าน ซึ่งในวัยตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขดีสนุกปีนั้นผมได้มีโอกาสบวชเป็นสัมมเนนภาคฤ ด, ดูร้อนจําได้ว่ามีเพื่อนเป็นสัมมเนนเก้าคนรู้สึกดีไม่เหงาแน่ๆวัดต้องไม่เงียบเย็นวันหนึง่งพวกเราช่วยกันกวาดลานวัดกันทางภาคอีสานเรียกว่ากวาดตาดหรือกวดตาดอากาศมันร้อนได้ใจกวาดเสร็จพระอาจารย์ก็ถามว่ามีใครจะไปซื้อน้ําหวานในหมู่บ้านไหม ซึ่งระยะทางจากวัดนั้นเข้าไปในหมู่บ้านก็ราวกิโลเศษด้วยความกล้าผมกับเพื่อนก็อาสาไปด้วยกัน2คนเดินนะครับทางที่เราจะเดินไปนั้นเป็นทางลัดคือต้องไปทางหลังวัดซึ่งเป็นเมนเผาศพและก็ดูไม่น่ากลัวในเวลานั้นเพราะว่ายังมีแสงสว่างให้เห็นอยู่ยังไม่มืดเราเตรียมไฟฉายไปหนึ่งกระบอกด้วยเพราะคำนวณแล้วขากลับต้องมืดแน่เพราะเวลานั้นก็เย็นมากแล้วเมื่อเราทั้งสองไปถึงร้านค้าในหมู่บ้านก็ลงมือซื้อน้ำหวานเสร็จเรียบร้อย สา ม, มนเนรสององค์น้อยๆก็พากันเดินกลับก็เดินคุยเล่นกันมาเรื่อยๆและแล้วท้องฟ้าก็มืดลงก่อนที่จะถึงวัดแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีไฟฉายก็ส่องไปเดินคุยกันไปเรื่อยๆบรรยากาศตามบ้านนอกความมืดไม่ต้องพูดถึงและเมื่อเราเดินกันมาถึงหลังวัดเรามีความคิดตรงกันว่าไม่ควรจะเดินกลับทางเก่าที่ต้องผ่านเมนเผาศพซึ่งบัดนี้เวลานี้มันน่ากลัวแล้วสองหัวช่วยกันคิดแล้วก็คิดออก มันมีทางลัดอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องผ่านเมนแต่เป็นการเดินลัดป่าเราทั้งสองคนมีความเห็นตรงกันว่าควรจะไปทางนั้นเพื่อความปลอดภัยทางเส้นนั้นที่เราพากันเดินลัดป่าเข้าไปมันเป็นถนนลูกกรังก็เคยได้ยินจากที่คุณเฒ่าคุณแก่คุยกันว่ามันเป็นทางสามแพ่งคิดตามไปมันก็น่าจะใช่เพราะไม่มีทางแยกที่มีลักษณะเป็นตัววแต่เราก็ได้ตัดสินใจกันแล้วว่ายังไงก็ยังดีกว่าได้เดินผ่านเมนลําแสงของไฟฉายต่องไปตามทางที่เรามุ่งไป ซึ่งกระบอกนั้นผมเป็นคนถือและมาเดินเข้าป่ามาได้นิดเดียวทางที่เราจะต้องเดินเข้าไปมันเป็นกอไผ่ซึ่งมีลักษณะสารกันไว้มีความหนาเหมือนอุโมงค์เหมือนเป็นซุ้มให้เดินลอดระหว่างที่เดินเข้าไปนั้นด้วยใจตุ้มๆต่อมๆไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็ฉายไฟส่องทางไปแล้วไอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเสียงเสียงนั้นอยู่บนหัวของพวกเรามีบางอย่างมันวิ่งอยู่ข้างบนกอไผ่ พราหยุดชะ ง, งักทันทีและเงยหน้าขึ้นไปมองแสงของไฟฉายก็ตามขึ้นไปด้วยสิ่งที่เราทั้งสองคนเห็นเหมือนกันก็คือมีก้อนกลมๆดำๆใหญ่เท่าลูกโป่งหรืออาจจะใหญ่กว่าก็ได้มันกลิ้งอยู่ขึ้นบนหัวเรากลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็หล่นลงมาที่พื้นดินดังตุบตุบนั้นคือตุบที่ดังมากและทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบวัตถุสีดำลึกลับขนาดใหญ่กลมๆที่วิ่งอยู่บนกอไผ่ข้างบนนี้บัดนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วมันคืออะไรและมันมาได้ยังไงไม่สําคัญอีกแล้ว ตลกจีวอได้ก็วิ่งกันป่าราบจีวอขาพระโดนหนามต้นเล็บเสือเกี่ยวการวิ่งของเราไม่รู้ได้ว่าใครวิ่งไปทางไหนคิดอย่างเดียวก็คือให้กลับไปถึงวัดเหตุการณ์ในคืนนั้นเมื่อคิดถึงแล้วก็กลัวใจหนึ่งก็ขำความกลัวมันทําให้เราลืมได้แม้กระทั่งความเป็นเน้นครับประสบการณ์ของผมก็มีแค่นี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวของท่านสมาชิกทั้ง3ท่านนะครับที่ตะกรุณาแชร์ประสบการณ์มาให้ถ่ายทอดให้ฟังกันซึ่งทั้ง3เรื่องก็เป็นเรื่องราวที่สนุกครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขจากการรับฟังครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ